الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك ونعم على عبدك ونبِيّك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت ن ا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت ف ر لنا وترحنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و ق ن ا ع ز ب النار الحمد لله ขอบคุณพระเจ้าเราจะเรียนในสุรพนุษย์หลังจากที่เราเรียนไปแล้วประมาณสองครั้งนะครับสุรพนุษ์เป็นสุรพที่อัลลอฮ์ سبحانه แ <ؤ> ละ تعالى ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวการด่าวะ การเชิญชวนของท่านนาบีนุ์อะลัยฮิสซลามว่าท่านได้ดำเนินการตามคำสังงส่งของล็อกสุภาณวตาอาอย่างไรท่านได้เชิญชวนพักพวกของท่านอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสอะะนะครับวันนี้เราจะมาอ่านกันตั้งแต่อายัตที่อาที่สิบเป็นต้นไปสอรอ น่าสามสิบสามนะครับอายสุดท้ายที่สิบ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ฟัลทุสตอฟิ ه ُ ك ا ن َ غ ุมอินน์นูแค่ س ِ ل ง السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا و َا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ม ل َค <س ؤ asthma> ุณลา ا م ูนลَ ل ลาฮิ و ะ ل วา <س ؤ ال> و َقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا و َะดาวฤกษ์ก็ประดับอَค์พระสุรนารีในสวรَค์วَาจักรลูกพระจันทร์ในนั้นเป็นแสงสว่างและดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างและดวงจันทร์ a l l َ h u ambatakum من الأرض نباتات ثم يعيدكم فيها و ي خ ตริจุ ا มอิขรา ل าวะแล้วอิมมีาลุบิอุบิราจาวะแล้วเจ้าเล่นคุมอืออัลบาบิสัตตา ลิตัลุคูมินฮาซุบ anyway> ุลันฟิจา ج َ الحمد لله فقلت استوفر ربكم إنه كان غفارا ทั้งสุรห์นี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนบีอุบายนะ เริ่มตั้งแต่อายัที่สิบเป็นต้นไปเป็นเนื้อหากระบวนการด่าวะของท่านนาบับนุห์สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือคาบที่แล้วเราบอกไปว่าท่านนาบับดุห์มีความมุ่งมั่นทำงานตามอามานะที่เองรับจากอัลลอฮฺซุบฮานาห์ตะอละอย่างไม่ยออ่อท้อนะอย่างเต็มที่ไม่มีการยออ่อท้อ ทั้งกลางวันกลางคืนนะดวยวิธีการที่เปิดเผยด้วยวิธีการที่ลับๆนะครับท่านใช้ทุกวิธีในการที่จะทุกวิธีที่มองว่าจะนำความสำเร็จมาสู่การดะวะนะครับมีการอธิบายจากนักตัิรีรนะบอกว่าไออัลนูอัลเลห์สเลมว มาจ ظن เ يؤدي ل ى, ن, uh ي إلى ن ج ا ح د ع و ت ه و ر ا ع ح و ا ل ه م ف ي ذ ل ك อันนี้เป็นการถอดบทเรียนที่สวยงามมากนะครับนะหมายความว่าท่านนาบีนูอะลาอิสลามววตาววั้วขะตั้วขะก็คือพยายามหาคือไม่ใช่ทำงานแบบเสเะสปะ ดูว่าวิธีไหนต้องดูต้องต้องเจรณานะอันไหนที่คิดว่าสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทํางานคือบางครั้งเนี่ยเวลาเรานึกถึงประเด็นการทําตามอามานะเนี่ยผมเคยพูดใ น, นที่นี่หรือเปล่าว่าจะพูดที่อื่นบางทีเราพอเรามองว่าเราได้รับอามานะมาให้ทําอะไรสักอย่างเราก็พยายามที่จะทําให้มัน ผ่านผ่านแล้วเราก็ น, นึกว่าพ้นไปแล้วอามานะที่เราทําคือถ้าไม่ทําเลยมันไม่ผ่านเราก็เลยทําแต่ทําแบบไม่เต็มที่เราเราคิดว่าไอ้ที่เราทําเนี่ยมันผ่านแล้วจริงๆไม่ใช่เวลาทําต้องทําให้เต็มที่เช่นเดียวกันถ้าทํายังไม่เต็มที่บางครั้งอามานะอาจจะยังไม่ผ่านอามานะมันจะมีอยู่สองแบบ หนึ่งเขาเรียกว่าอัมมนะภายในความรู้สึกที่ว่าจําเป็นจะต้องทําให้ได้ต้องทําตามสิ่งที่อัลลอฮฺสัง่งหรือเรารับงานของใครมาก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอัมมนะภายในอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทําแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออยังไม่ยังอะไรยังไม่พ้นภาระของตัวเองอันนี้เขาเรียกว่า responsibility ได้ยินไหมอยู่ในนแล้วใช่ไหมเคยพูดกับพวกเราแล้วหลายครั้ง responsibility ก็คือความรู้สึกต้องรับผิดชอบต้องมีความรู้สึกนี้ก่อนถ้าไม่มีความรู้สึกนี้ข้างในเนี่ยไม่ทางานทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แต่แล้วแต่นะคนที่เป็นผู้นำก็ไม่ไม่ทำอะไรคนที่เป็นผู้ตามก็ไม่ทาอะไรถ้าไม่มีความรู้สึกข้างในถ้ามีความรู้สึกว่าจะต้องทำตามหน้าที่ตัวเองได้รับยังไม่พอครับบางครั้งมีความรู้สึกข้างในแล้วว่าต้องทำต้องรับผิดชอบแต่ทําพันทาง ทำลูกลว ก, ลวกนะทำไม่ได้หวางคุณภาพหวางให้คนอื่นดูว่าเราทําเสร็จแล้วหรือหวังเฉพา ะ, ะรายชื่ออนะไรกื่องอะไรนะประกันอะไรนะประกันประกันกระดาษไม่ใช่ประกันคุณภาพคุณภาพนาะะการศึกษาก็ดีอะไรก็แล้ ว, แ, ลวแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาประกันเฉพาะดูว่าครบไหมติ๊ครบหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ใช่ สำหรับ Allah ยังไม่ใช่สำหรับคนทำงานอิสลามยังไม่ใช่แบบนี้มันจะต้องมี accountability ด้วย accountability ก็คืออามำนาจภายนอกทำมีระบบรอเปล่าทำเต็มที่หรือยัง سبحان الله ถ้าเราพิจารณาจากท่านนบีนุฮัยละฮิสซลัมทั้งสองอย่างมีหมดมีทั้งความอามำนาจภายในรู้สึกว่าต้องทำแล้วทำอย่างเต็มที่ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งแบบทั้งแบบเปิดเผยเราดูว่าวิธีไหนที่สามารถนำผลสำฤทธิ์ผลผลลัพธ์ได้ดีที่สุดนะเดาวไม่ใช่ทาคนเห็นคนอื่นทำอยากจะทำมั่งเห็นคนอื่นมี o ฟ e บุ๊กอยากจะมีมั่งเห็นคนอื่นมีบริษัทอยากจะมีบริษัทมั่งเห็นคนอื่นมีอะไรก็แล้วแต่แต่พอเรามีเองจริงเราทาอะไรไหมไม่เคยได้ผลอะไรเลยเพราะว่าเราทำเพื่อ ไม่ได้หวังความสำเร็จนะเราไม่ได้หวังผลหรือจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เป็นรูปธรรมจริงๆอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําต้องมองถึงบั้นปลายของการทำงานด้วยว่าเราจะได้ผลอะไราจากงานนี้นะไม่ใช่ทำเพื่อตอบสนองบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเพียงแค่กลไกลแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับ วราันนี้เป็นอีกข้หนวราห์อ حوالهم ใน ذلك ราห์อ حوالهم พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงสถานภาพของคนฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกบางทีเรานึกอยากจะน s a ัตใครเนี่ยเราไม่ดูเลยว่าคนมีพร้อมจะรับหรือเปล่าตอนนั้นอันนี้หนึ่ง สภาพของคนที่จะรับเนี่ยพร้อมที่จะรับไหมสองระดับการการให้ของเราในวิชาดวาวะเนี่ยกำลังสอนวิชาดวาวะอยู่เนี่ยเอามาจากนาบีนะระดับเนื้อหาเนื้อหาที่เราจะให้แต่ละคนต้องดูก่อนว่าคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมันมันใช่ระดับสมองที่เขาจะรับได้ไหมสมมติเด็กประถมกับเด็กมัธยมอ่ะเวลาที่เราสอนสอนวิชาคณิตศาสตร์ เด็กประถมเนี่ยคุณเอาแคลคูลัสมาสอนอะไรแล้วอย่างเงี้ยเด็กมันรับไหวไหมมันไม่ใช่มันต้องดูระดับการการรับรู้ของแต่ละคนด้วยว่าคนที่ไม่เคยเรียนศาสนามาก่อนสมมุตินะครับอยู่ดีๆเราจะเอาประเด็นเรื่องคิลาติยาเรื่องมุสตาลฮัดิสเรื่องอุซูลฟิกวะนี้ไม่ถูกนะอันนี้อิหม่ามช اف ิอีบอกว่าวรรคขงมันเป็นอย่างนี้ตายคนก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เรามาพูดอย่างนี้ไม่ทราบอกือไง ต้องดูระดับคนฟังด้วยว่าเขาเป็นยังไงเขาสมควรที่จะรับความเมขนาดไหนท่าน阿里เป็นอบดตารลยปรอยอลลอขออันมันบอกว่าฮัดจิตุนนาสบิมายักเทลุนเวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาสามารถจะประมวลได้หมายความว่ามันนั่งงงอยู่ไหมมันพูดอะไรกูฟังไม่รู้เลยเอาที่สิ่งที่เขาสามารถจะอักเกลอาคกลก็คือสามารถเอาไปคิดต่อได้ จะต้องกาะราถ้ า, เ, า, เ, าเขาไม่สามารถจะคิดได้มาพูดกับเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะปฏิเสธโดยทันทีทันใดโดยที่เขาความผิเดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่ใครอยู่ที่เราเราเป็นคนให้สิ่งที่เหมาะสมกับเขาเองทําให้เขาปฏิเสธอัลลอฮ์ทำให้เขาปฏิเสธอิสลามอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นมุรา عة ะอ ح و ا ل ا ل م ค ا ط ف ي น การคำนึงถึงสภาพของคนที่จะรับดะวะเนี่ยนะมุราะตอความลิลมุขอัตบินการคำนึงถึงสภาพของคนรับสารจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งของคนทํางานจำเอาไว้นะครับไม่ว่าเราจะดะวะในระดับไหนเราจะนะองค์กรไหนก็แล้วแต่สถาบันไหนก็แล้วแต่นี่แหละที่บอกว่าสัปดาห์ที่เราพูดยาวมากเลยว่าไอ้วิชาดะวะเนี่ยมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรที่เยอะมากเลยทีเดียวขนาดสุร้อนนู้แค่สุร้อนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมีอีกุลตตุ้วเนื้อหาที่ท่านอับดุลเบญุใช้พูดกับบรรดาประชาชนหรือพรกคพวกของท่านท่านอบดนลเบญุไดว่าว่าอย่างไงอิศสาวฟิรุรับบักุนอินนุคานะละซาระโอ้พรรพวกของฉัน จงอิสติฟาร์ต่อ Allah Subhanahu wa Taala เถิดเนื้อหาการด่าวของบรรดา ن บีจะต้องมีประเด็นนี้ไปอ่านเลยสุรคไหนก็แล้วแต่ที่พูดถึงการด่าวไม่ว่าจะเป็นของนบีนูของนบีูของนบีไ ห, หนก็แล้วแต่จะต้องมีประเด็นเรื่องอิสติฟาร์แสดง ว, ว่ามันเป็นประเด็นที่ใหญ่อิสติฟา์เนี่ย มันไม่ใช่ประเด็นทฤษฎีนะมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีไม่ใช่มาเล่าให้ฟังแต่มันเป็นประเด็นภาคปฏิบัติจงอิสลิฟาร์ตุอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ทำไมต้องบอกให้อิสติฟาร์อัลลอฮฺอักบาร์นี้ถ้าจะให้พูดหนึ่งชั่วโมงก็ยังยังได้ประเด็นเรื่องอิสติฟาร์ตแค่เรื่องเดียวประเด็นเรื่องอิสลิฟาร์เรื่องเดียวเนี่ยเป็นประเด็นดาวะเลยนะ y a i m a t istighfar to Allah subhanahu wa taala. p e r a w a kan istighfarnya mencepet w a j a y d k u istighfar y k e n a d a a o n g i s t i g h f a r to Allah subhanahu wa taala, n i t a h u wa j a y k e n g g a o n g k a u i a y a k a n m a i s a t t e a r a n g i d a k a t i g h f a r to Allah subhanahu wa taala, wajahnya akan menjadi sangat tegang. Orang yang tidak mahu istighfar to Allah subhanahu wa taala, wajahnya akan menjadi sangat tegang. Orang yang tidak mahu istighfar to Allah subhanahu wa t a y a m e a d i a t t e n g o i t h n y a กับคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดระหว่างสองคนเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยนะกับการรับฟังนาเซฮัตการรับฟังคำตักเตือนการยอมรับสัจธรรมเนี่ยมันคนละแพกกันเลยถ้ายอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดเนี่ยจะฟังทำไมจะรับนาเซฮัตทำไมต้นยอมรับก่อนว่าตัวเองทำผิดอยู่นะแล้วการยอมรับผิดเนี่ย س ب ح ا อัลลอฮ์คนอาหรับ จะถือว่าเป็นเกียรติการยอมรับความผิดนี่เป็นเกียรตินะไม่ใช่ความต่าต้อยบางทีเราอาจจะมองว่าการเติราฟบิลข้อตอเนี่ยการยอมรับว่าตัวเองทําผิดเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังตกต่ำหรือต่าต้อยอยู่อันนี้เป็นปัญหาของเราเลยเป็นปัญหาเรื่องของหัวใจหัวใจเราเนี่ยพอคนอื่นบอกแกทาผิดนะมันแบบอยากเจออยากเจอ อยากจะทะเลาะกับเขาอ่ะคือไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองนี่ผิดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถยอมรับตัวเองผิดได้คนนั่นแหละเกียรติของเขาสูงมากพวกเราเป็นยังไงยอมรับได้ไหมเวลาทำผิดเนี่ยเออกูทำผิดเนี่ยทำพูดนี้นี่ออกยากมากจากปากพวกเรากูไม่ผิดอันนี้ออกตลอดเลยกูไม่เคยผิด ไม่ว <Mr>. ่าจะทาอะไรกูไม่ผิดคนอื่นนั่นที่ปิดกูไม่เคยผิดอะไรสักอย่าง س ุ ح อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอิสติฟรุระบะคุมต้องให้ติดปากอิสติฟาร์นี่ต้องให้ติดปากอัสซาฟุรุลลอฮอตบิลลอัสาฟรุลลอฮัตบิลลอัสซาฟุรุลลอฮตบิลลดูตัวอย่างของท่านนบีลลัลลอฮอะลัยฮิสลมนะตัวอย่างในเรื่องการอิสติฟาร์นี่ท่านนบีของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอับดุอเมร์อัลยัลลอฮอันุมาท่านเคยบอกว่า บางทีเวลาท่านนาบีนั่งอยู่กับบรรดาสัฮาบะเนี่ยอิสติฟารเนี่ยแค่ในวงวงสนทนาแค่วงเดียวเนี่ยเป็นร้อยครั้งอับบูฮุไรร่าบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครกล่าวคําว่าอัสตาวิลละะอฮวาตูบิเลยมากไปกว่าท่านรอสู ล, ลุละห์สโลลลอฮวอะลัยฮุะสแลห์แล้วท่านนาบีก็บอกเองว่าแต่ละวันเนี่ยท่านจะต้องอิสติฟารไม่ต่ำกว่านึงร้อยครั้งอินน ahu layyuanu عل قلبي เห็นไหมบอกแล้วหัวใจของท่านที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่บางครั้งนะฮะท่านนาบีเองสุภานัลล่นหรอกท่านนาบีนะไม่มีบาปนะแล้วเราอ่ะร่างเนี่ยบางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นเป็นอะไรบางบางมาปกคลุมหัวใจท่านนาบีเป็นคนไม่มีบาปก็ไม่มีอะไรที่มันหนาของเรานี่บาปเต็มนี่คงไม่ใช่อะไรบางบาคงเป็นอะไรที่อ๋อ องเ็นอะไรที่นาทึบมีอะไรบางบางนี่ท่านนาบีอิสตามว่าหลายหนึ่ง้ครั้งอว่าอินนี่ละอัลลัะะ่ฟุรุลลอฮว่าทุกีเลฟิลยุมี๑๐๐ครั้ง๑๐๐ครั้งอย่างนั้นหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หัวใจของเรารับขีดายัดถ้าจะให้หัวใจของเรารับคําตักเตือนจากคนอื่นจากพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากฟังยายจะรับประโยชน์จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องอิสลาม อิสติฟารรุลลอฮบีไม่เพียงแค่นี้ไม่เพียงแค่การอิสติฟารจะให้ประโยชน์ใ น, น้นองการรับอิดายท่านั้นดูนะท่านับีนูุอัลลอฮิสสลามบอกว่าอินาระฟาระพร้อมที่จะให้อภัยโทษหลังจากที่อภัยโทษเสร็จแล้วยุรซิลิสซมะอลัยุมมิดอรออันนี้เป็นผลพวง ผลพวงจากการึงฟิศก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะประทานบารกะ a บารก k a ในที่นี้ในสุร์นี้ระบุเจาะจงว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะประทานให้มีฝนตกลงมาอย่างอย่างมากมายเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยบาร a k a มันจะเกิดขึ้นต้นไม้มันจะงอกเงยอวัยุมะจะงอกเงินะน้ำฝนที่แปลกน้ำฝนเนี่ย เป็นเาเรียกว่าเป็นต้นทางของบารอกัต น, นะจังหวัดไหนที่มีฝนเยอะๆต้นไม้จะขึ้นงดงามประเทศไหนที่ฝนตกชุกอย่างอย่างประเทศเราทางใต้เนี่ยทำไมที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติมันมันเยอะเพราะอะไรเพราะภาคใต้เนี่ยฝนตกชุกมากกว่าที่อื่นคนอาหรับเนี่ยจะให้ความสำคัญกับฝนมากเพราะว่ามันเป็นแหล่งริสกี เราดูนะว่าฝนลงมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากฝนเราไม่ได้เราเนี่ยน้ําเยอะบ้านเราน้ําฝนเราก็ไม่ได้ใช้กินไม่ได้ใช้อะไรแต่บางภาคบางจังหวัดเนี่ยเขาต้องใช้น้นําฝนบางประเทศเนี่ยน้ําฝนเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะประเทศอาหรับเป็นก็เรียกว่าเป็นแหลง่งริสกีซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะอัลลอฮ์เองก็บอกว่าฟิสตามะอิริสกุคุมริสกีของพวกเจ้านั้นอยู่บนท้องฟ้ามันลงมากับฝน นาฤกษีเนี่ยเวลาที่ฝนเห็นไหมจะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างอิสติฟารจะเป็นตัวเรียกฝนในสมัยอดีตเวลาที่มีการนะซุนนะของท่านนาบีสลุสลตานละเวลาที่เกิดฤดูแลง้งเวลาที่เกิด أ, ภาวะแห้งแล้งเนี่ยก็จะมีการอิสติสกะ อ, อิสติสก็อก็คือการละหมาดขอฝนออกไปยังสนามกว้างพาอะไรอ่ะพาพวกเด็กๆพวกออกไปทั้งหมดเลย พวกสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยไปขอฝนจาก Allah SWT ไปอิสติฟารท่านอุมะนุลกตาบ์นะเวลาที่ท่านขอฝนเนี่ยไม่เคยอย่างอื่นเลยนะอกจากอิสติฟารอย่างเดียวและท่านบอกว่านี่แหละคือคกุญแจที่จะทำให้อัลลอฮฺมาอัาลอฮฺอัลลอฮ์นั้นประทานบรานบราักัตด้วยน้ําฝนลงมาแล้วก็ชัดเจนจากอายัดนี้ชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอายัดนี้ก็ตามแต่หรือจะเป็นการทดลองการทําจริงของดาซาลัฟ หรือของบรรดาคนในยุคปัจจุบันเองเนี่ยเขาใ้วิธีการนี้อยู่ซุนหานั่นเราประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะเห็นภาพชัดมากบ้านเราไม่ค่อยมีซุนาหานี้เท่าไหร่เราบ้านเราฝนตกบ่อยแต่ประเทศอาหรับถึงเวลาแล้วฝนยังไม่ตกเนี่ยเขาจะอิสติสกาะทันทีเลยจะมีคําสั่งเขาเรียกว่าคําสั่งจากพระราชวังเลยเป็นคําสั่งของกษัตริย์เลยให้ละเมาดอิสติสกาะทั่วประเทศแล้วบางครั้ง เวลาที่ละหมาดอิสติสกะเนี่ยมาชัอัลลอฮ์หลังจากละหมาดเสร็จมาเลยครับอันนี้เป็นบาระเกจากจากดุอาของคนที่ซอลล้อนเลยจากการอิสติฟารจากการที่เรากลับไปอัลลอฮ์ช่วยเราตาแหละนี่คือวิธีการด่าวะของท่านนาับี๊โนอิสติฟารแล้วบอกได้ว่าอิสติฟารวมันจะได้อะไรเขาเรียกว่าสร้างแรงจูงใจการด่าวะของเราก็เหมือนกัน เวลาที่เราจะดาว่าใครต้องมีแรงจูงใจด้วยไม่ใช่สักแต่สังส่งสังส่งสัง่งสั่งสั่งมีคำสัง่งคำสั่งยังไม่เท่าไหร่ห้ามอยา่ยาอย่าอย่า่มีเยอะมากอะสั่งอย่างเดียวยังไม่พออย่าด้วย <c oughs> แล้วไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่จะให้คนทําหรือเลิกลที่ผ่านมาด่ว่าของเราจะเป็นอย่างนี้ไหม อย่าทอย่างนั้นนะไม่บอกเขาว่าถ้าไม่ทาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทาจะได้อะไรเราไม่เคยบอกนบีนุ่งไม่นบีนุ่บอกเลยถ้าอิสติฟาร์จะได้อะไรยรุซิลิสซมาอาเลกุมมิดอาะ Allah จะส่งน้าฝนให้กับเจ้าอย่างมากมายวยุมดิดคุมบิอัมวลวาบานินอัลละห์จะให้ลูกหลานกับบารักันะบิอัมวลได้ทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติเยอะ ใครพูดหรือเปล่าประเด็นที่บอกว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังลําบากอยู่เนี่ยลองอิสติคฟาร์ให้มากๆลองนะใครลองดูลองใช้กับตัวเองผมไม่อยากจะบอกว่ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยากจะให้พวกเราลองด้วยตัวเองตกงานอยู่ฮะหรืออะไรก็แล้วแต่าภาวะเศรษฐกิจฝืดเครื่องอยู่ตอนนี้สมมุตินะลองอามา ก, กับอิสติคฟาร์ดู วันหนึ่งอิสติฟร์ฮักยอเลยสำรบ a l l a วะอัตุบิลลา์สำหรับ a l l a วะตบิลลา์ ila, wa แล้วดูสิวะ a ล l a h แต่ล ะ, ะใ้ท่าน อ, อกกับเขาแบบไห น, นลองดูไม่ลองไม่รู้นะไม่ลองไม่รู้ลองดูลองแล้วผมลองแล้วผมไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าได้แไม่ได้อยากใช่เพะเราลองเองอิสติารเมากมาให้อยู่กับตัวให้เป็นา้าเป็นเป็นอัมัลที่เหมือนกับเหมือนเสื้อผ้าเละอยู่กับเราตลอดอิสติารเนี่ย ว่างๆสตฟชอวัุลอ่างขอบุรุษหลอกทุกอย่าไม่ยากเลยนะครับไม่ยากอะไรในการสตีฟตอบเราแล้วดูสิว่าจะเป็นยังไงชีวิตของเราอลาอาลาบอกเองยมดิศกุมบิอัลว่านจะให้อัลว่านรั์สินวบานีนนะลุกลานและจะให้เรือสวนของเจ้าสมบูรณ์แล้วก็มีแม่น้านะครับที่มีน้า ไหลอยู่ในส่วนของพรกชาอัลลออัลลฮอัลลอฮนี่คือวิธีการที่เขาเรียกว่าอาตล ร, รีบอั ร, รีบอัตล ร, รีบก็คือสร้างแรงจูงใจให้คนอยากจะทาดีให้คนอยากจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานอลลหลังจากที่ตล ร, รีบเสร็จแล้วมีอีกวิธีหนึ่งตล ร, รีบมนี่แบบให้ความหวังได้ฟัไหมฮะ มีอีกวิธีหนึ่งที่ตรงกันข้ามภาษาอ раб เรียกว่าอัตตารีบเปลี่ยนตัวเกนเป็นตัวตัวฮ่าอายะนะตารีบตารีบอันนี้ตารีบนี่จะตรงกันข้ามกับตารีบอันหนึ่งให้ความหวังอีกอันหนึง่งให้มีความรู้สึกเกรงกลัวแม่และุม ละ ترجمة มาละคอมมาละคมเนี่ยเป็นคาถามเชิงแปลกใจมันไม่ต้องการคาตอบมาละคอมพวกเจ้าเป็นอะไรแสดงความแปลกใจมาละคมลท ت ر ج ละ ت มีความหมายนะครับอย่างน้อยสองลักษณะที่บรรดานักตัปซีฟได้อธิบาย น, นะครับความหมายลักษณะแรกที่เขาบอกว่าและตะคอฟูนพวกเจ้าเป็นอะไรทําไมจึงไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวและตารยุนตรงนี้หมายถึงเกรงกลัวในภาษาไทยเขาว่าอย่างไงอ่าใช่นะครับเพดใดเล่าโอ้กลุ่มช่องชั้นพวกท่านถึงไม่เกรงกลัว ความยิ่งใหญ่และอำนาจของ Allah อันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนความหมายของการตักซีทำไมฉันเห็นพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยสะทกสถานอะไรเลยกับความยิ่งใหญ่ของ Allah ซุพานาตาห์<ม>อยู่ได้ยังไงอ๋อทำไมถึงอหังการถึงขนาดนี้นะครับในขณะที่อีกความหมายหนึ่งก็บอกว่าไอ ลาต่๊ะติดดุนลิลลาห์หมายถึงไม่เช well, ื่อไม่ศรัทธาวะอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะรู้ได้ยังไงวะอัลลอ์ سبحانه แะ تعالى ยิ่งใหญ่จะทํายังไงให้เราเกิดความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ن อและ ت ع ا นี่ไงในขณะที่ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل สร้างเรามาอาตวารอก็คือเป็นลำดับขั้นจากเดิมไม่มีอะไรเลยการสังเกตเรื่องการสร้างมนุษย์จะทำให้เราเกรงกลัวหรอกถ้าเราไม่สังเกตหรือเราไม่พิจารณากา ร, เ, ราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไหนล่ะการที่เราจะเชื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا มีความยิ่งใหญ่ลองมาสังเกตพร้อมๆกัน ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยเราอยู่ที่ไหนมาก่อนไม่รู้เพราวะที่เราไม่รู้อะไไ ม, ไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ดีดีอัลลอลาก็ให้เราชนะการแข่งขันอ่ละกัดขลักคนลอินซานาฟิกะบาดเรียนแล้วอายันี้กลับไปอ่านกลับไปฟังใหม่ละกัดขลักคนลอินซานาฟิกะบาด เราได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่เหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้ตรากตรำลำบากตั้งแต่อยู่ในตั้งแต่ที่วิคนาะทีแรกของการเกิดปฏิสนธิแล้วต้องสู้กับพี่น้องเราอ่ะเป็นลเป็นหมือนอ่นนะถูกต้องไหมครับกระบวนการเกิดปฏิสนธิเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ชนะการแข่งขัน <laughs> เข้าไปในไข่ สุบภานัลนแหลแล้วไปอยู่ในนั้นอัตลาบอกชัดมากเลยขอละก้อกุมอัตวาเราเป็นลําดับขั้นเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีกระดูกห่อหุม้มแล้วอยู่ในท้องแม่เนี่ยความมืดสามชั้นทั้งหมดไี่พูดในอัุว่าหมดเลยความมืดสามชั้นเรากินเราดื่มยังไงว่าข้อละก้อกุมอัตวาเรากินดื่มยังไง ใครเป็นคนสอนให้เรากินใครเป็นคนสอนให้เราดื่มใครเป็นคนสอนให้เรารับอาหารจากสายสะดือของแม่เราแล้วเวลาตื่นเวลาออกมาจากห้องแม่เนี่ยร้องไห้ใครเป็นคนสอนให้เรารอ้องไห้อาอาหารแล้วพอเอามาตั้งเอาไว้ที่เขาเรียกว่าอาจะให้นมใครเป็นคนสอนให้เราอะรู้จักการ นมดาบอกมาแค่เแค่สแล้วหลังจากนั้นนะหนึ่งปีกว่าจะเดินได้น่ากว่าคลานก่อนนะพลิกอะไรก่อนต่างๆนานาเนี่ยแล้วกว่าจะเดินได้กว่าจะคิดได้กว่าจะเป็นผู้ใหญ่ส ب ح, ح ا ن um อลัลลอฮ์นะอัลลอฮ่ خ ل บอกว่าเราสร้างเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายมาจากสภาพที่อ่อนแอ มินดักฟินซึ่งมาจะ้มิ น, ด น, มม น, ะะมนาดกนวหลังจากสภาพที่อ่อนแอทาให้เจ้ามีพลัลังซึ่งมาจกามินบกว น, นวหหลังจากที่เจ้ามีความแข็งแรงแล้วเนี่ยจะทาให้เจ้ากลับไปอ่อนแอใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับของแทบดักฟอย่างเดียวไม่ใช่ละตอนแรกเนี่ยมีความอ่อนแออย่างเดียว ตอนที่เป็นเด็กพอเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงแล้วสุดท้ายมันก็จะลงมาลงมาอ่อนแออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับของแถมด้วยใช่แบบก็คือเนี่ยสขขีขาวเริ่มขึ้นแล้วอันเนี้ยเป็นของแถมสุดพระัลลอสอันเนี้ยอายัด ต, ต่างๆในอัลกุรอานที่พูดถึงการสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ เขาีว่าปฏิวัติความโง่เขลาของคนในยุคที่ไม่มีวิทยาศาสตร์แบบทุกวันนี้เป็นไปได้อย่างไร 1,400 กว่าปีมาแล้วที่อัลลอฮวที่ท่านนบีมนุษย์คนหนึ่งมุฮัมมัดสลลัลสุลลัมไม่เคยเรียนไม่เคยเขียนไม่เคยอ่านแต่สามารถพูดถึงกระบวนการสร้างมนุษย์ได้อย่างวิลิสซมารามะมนดงย์งาม ไม่มีที่ไหนพูดได้เป็นงดงามมากไปกว่า น, นี้อีกแล้วต้องใช้คำนี้เนี่ยพวกผู้นเข้าใจใช่ไหะพวกเด็กๆ เ, เข้าใจหรือเปล่า <laughs> นะสุฮานัลอลห์นี่เป็นการดึงดึงสมองสติปัญญาของมนุษย์ให้กลับยอมรับเพราอัลลอฮ์สุฮานะอสมควรที่จะได้รับการเคารพพักดีจากจากพวกเราที่เป็นผู้อ่อนแอ มาระคุมลาทรจูนลิลลาฮิวการะเป็นอะไรทําไมถึงไม่ยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah สังเกตตัวเองดูสิว่าฟิอัลฟุสิคุมดูตัวเองเขะอตลดสั่งให้เราดูตัวเองว่าฟิอัลฟุสิคุมอัลฟาลัตุบซิรุนตัวเจ้าเองเจ้าไม่เห็นหรอมีต่างๆมีเครื่องหมายความยิ่งใหญ่ของ Allah อยู่มากในตัวของเราทําไมเรามองไม่เห็น سبحان a l l ลาอิลลอิลลอฮ์นะอัลม์ตารอ ك ي ล خ ل ق ا ل ل ه س ب ع ة س م ا ء จนติบากะยังไม่จบพูดถึงตัวเราแล้วพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างบ้างขลักอัลลอฮ์พูดถึงชั้นฟ้าทั้งเจ็ดสับ عة สมาวาะจนติบากะนะทั้งฟ้าของฟ้าทั้งเจ็ดชั้นอันนี้เราก็พูดเยอะแหละในสุรทุลมุลกที่เราตีความสุรทุลมุลนะลองกลับไป ต้องกลับไปทบทวนดูนะครับว่าเราพูดอะไรบ้างในส่นมุษย์แสดงถึงการสร้างสรรค์ของล่องสุภาอัลตะละนะครับทั้งฟ้าทั้งเกจชั้นว่าจะอัลลอฮมรฟีหินนูรัลตะละก็สร้างดวงจันทร์ให้มีแสงเป็นนูรว่จอลฮชัมซิราดวงจันทร์เป็นแสงสว่างแบบรัศมีนวลในขณะที่ดวงอาทิตย์เป็นซิรา สีรอดก็คือแสงจ้าสังเกตไหมเนถ้าคนสมัยก่อนก็ไม่ได้สังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้สุภาพนักเราอายักนี้เนี่ยอุลามะบางคนในสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่าอายักนี้แสดงให้เรารู้ว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองแต่ต้องพึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นเป็นดาวฤกษ์หรือเป็นดาวที่มีแสงในตัวเองเมื่อกี้วิชาปฏิสนธิไม่ได้วิชาอะไรน ะ, ะ, ะวิชาอะไรเขาเรียกวิชาที่เกี่ยวกับการเกิดมนุษย์อันนี้วิชาดาราศาสตร์แล้วมีไม่ใช่น้อยเลยในอัลกุรอานที่พูดถึงดาราศาสตร์เห็นไหมครับ นี่คืออัลกุรอานของอั ح ح ลลอฮ์ س ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل ดวงจันทร์รลมีนวนดวงอาทิตย์แสงจ้าบอกชัดละอิลลัฮิละลอฮถ้าไม่คิดถ้าไม่ฟังถ้าไม่อัลลอฮแต่เาไม่ไม่เตือนเราบางทีเราก็ไม่ได้คิดหรอกเราไม่คิดแล้วทำไมดวงจันทร์มันต้องมีแสงนวนด้วยแล้วทำไมดวงอาทิตย์มันต้องมีแสงจ้าด้วยทาไมถ้ากลับกันไม่ได้ อ, อะฮะ คิดน <laughs> um ja nah um il ึมีอันหนึ่งในสุรุตุลขั้ัพอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลตบอกว่าอย่างนี้นะคุณอารัยทุมอินเจ้าลัลลอฮฺอาลัยคุมุลหนาหาระมดันอีลาเยมิล قيام ตีมนอิลาห์น์ไงอัลลอฮฺจะตีคุมบลเลล์นท์ที่คุนฟีสุรุตุลขัศัพทันต้องกลับไปดูอันที่เท่าไรว่าตั้งแตถามเราแบบ แบบคือขนาดคนโง่มันก็ตอบได้อะถ้าสมมติว่าอัลลอะลัยาลาทำกลางวันแบบนี้รัดการโลกนี้ไม่มีกลางคืนใครจะเป็นคนเอากลางคืนมาเขาได้พักผ่อนถ้าไม่ใช่อัลลอถ้าสมมติว่าอ AH ัลลอฮบุลสาลาสร้างโลกนี้ให้มีแต่กลางคืนไม่มีกลางวัน ใครผู้ไหนจะเอาดวงอาทิตย์จะเอาแสงสว่างมาให้เราได้ออกไปทำงานลองนึกดูสิว่าชีวิตของเราถ้ามีแต่กลางคืนจะเป็นยังไงหรือทั้งมีแต่กลางวันจะเป็นยังไงซาร์มาดันอีลาย่างนีถึงวันเกมยรเลยไม่มีมีแต่กลางวันอย่างเดียวหรือมีแต่กลางคืนอย่างเดียวนี่แหละที่เราบอกว่าวะฮุบัลละดีจะละลวัลนาลฟตัน เาะสตสร้างกลางวันและกลางคืนให้มันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ย l i อ a n a r a n j a z a k สำหรับคนที่ต้องการจะได้รับเรียนเอา arada s h u r หรือคนที่ต้องการขอบคุณอัลลอ์สุบฮานะตะอลวันนี้เราขอบคุณหรือยังที่มีกลางวันและก็กลางคืนวันนี้เราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการมีกลางวันและ ก, กลางคืน กับไอ้แค่กลางวันและกลางคือเนี่ยคุณขอบคุณอัลลอฮ์เราไม่หมดนะครับเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยังไงวันไหนที่เราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแหละครับเห็นไหมต้องพิจารณาต้องพิจารณาแล้วจะเกิดความรู้สึกเกรงกลัวอัลลอฮ์ขึ้นมาประเด็นคือเราไม่พิจารณาแล้วเราก็ไม่นึกถือหรอกนั่นแหละมันไม่เกิดความรู้สึกกลัว เมื่อไรก็ตามที่เรามีการพิจารณาซึ่งสารับเรียกว่าการฟิรหรือการต่ฟักกการไถ่ครวญแล้วเอามาบวกกับการซิกร์การนึกถึงอัลลอฮ์ผลมันจะออกเองไม่ต้องเมคไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะประกันคุณภาพผ่านหรือไม่ผ่านผ่านแน่นอนถ้ามีสองอย่างนี้ อิเคีกับอเคคิดถึงคิดดูจักรวาลของอัลลุบฮระเลและก็เอามนึกถึงพระองค์มันจะออกมาเองว่าสุบฮานักฟะนาอบนน้ามหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺุบฮะลได้โปรดปกป้องให้เราพ้นจากอาณาบของนรกด้วยนี่คือเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเนี่ยกระบวนการดอาของท่านนบีของท่านนบีนุัยสลมเนี่ย จริงๆแล้วน บ, บีทุกคนก็จะพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอ a ล istidalal عل الولوحياتي ب ر บ ب و ب ي ا การอ้างความชอบธรรมหรือความเหมาะสมเหมาะควรที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะต้องได้รับการอิบาดัตจากมนุษย์ด้วยการอิงไปยังรุบูบียะรุบูบียะก็คือความสามารถของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำไมเราต้องเคารพ Allah นี่ไงพระองค์สร้างเราพระองค์ให้ริสกีเราพระองค์สร้างจักรวาลพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราถ้าสมมุติพระองค์สร้างเราทั้งทั้งหมดนี้มาให้เราแล้วเนี่ยเรายังไม่เคารพพักดี Allah เห็นไหมฮะจะเคารพพัใครยังมีพระเจ้าองค์ไหนที่จะให้เราเคารพพักดีถ้าไม่ใช่ Allah سبحانه และ تعالى พระเจ้าองค์นั้นเนี่ย a l ล a h หรือเปล่าสร้างเราหรือเปล่า ให้น้ำฝนหรือเปล่าสร้างดวงอาทิตย์หรือเปล่ า, า, งลงลาต้องถามอย่างงนีนะถ้ถ้าอ้างว่าเป็นพระเจ้าจริงๆต้องสร้างดวงอาทิตย์สิต้องสร้างจักรวาลสิแล้วเราจึงจะเคารพพระบิดพระเจ้าองค์นั้นแต่มันไม่มีไงนะแต่ว่าจะทํำยังไงให้เราคิดแค่นี้แหละให้เราคิดมุสลิมเองก็ต้องคิดไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเองบางทีก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยเราอยู่ท่ามกลางเนชมัดคอร์ลออสบอลต โดยเราไม่เคยคิดอะไรเลยจะบอกว่าท่านมีโซโลล้อเอาสั <|so|> ่งอ๋อวันยิ่งพูดยิ่งละอายแกตัวเองยิ่งพูดยิ่งละอายแกตัวเองทุกคืนเวลาที่ท่านดบีลุกขึ้นมาละหมาดแต่หยุดท่านจะต้องอ่านอายัดนี้ก่อนที่จะละหมาดอายัดท้ายของสุรษะอัลอิมรานะอินนฟี خلق السموات والارض واختلاف الليل و ا ل ล่ آ ي ا ت ตุเลอุ ل ล ا ลบาอ ل ลลัฎินา ا ل รุ ق ي ا م ا و ق ع و د ا وعذاجنوبهم จุมะตงยาอัลลัฎินเอมัณซิบ و รู้และ صابر ا ب ط ับุแ تقول الله لعلكم تفلحونج ุมะตง سورهآلإمران. มีใครอ่านมั้ยมีรื่งหนึ่งที่ท่านจะอ่านอายะห์เหล่านี้ก่อนที่ท่านจะละหมาดถึงจุดเพราะว่าอายะห์เหล่านี้พูดถึงมันได้ฟิล นะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาดูดวงดาวดูดวงจันทร์แล้วเราอาาร่านอายัดนี้เนี่ยมันจะได้ความรู้สึกนี้ขึ้นมาทันทะีเลยที่เราจะทำอิบัดั๊บลอกานประเด็นสำคัญก็คือจะทำยังไงให้การมองไปยังมัคลูกต่างๆ่างของล็อกสวาวแต่ละนำเรากลับไปสู่การยอมรับต่อ a l l a ให้ได้นะครับต้องมนะีเรื่องแบบนี้ด้วยได้เวลาพอดี الحمد لله นะครับเลือกสองอายัดที่เค้าคุ้นกับรูปบุย์ย์ก็ไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮุจ้าเลาคุมอัลลอฮุจ้าเล่ลาคุมุล้อรัลลอฮมตะุมมินัลรินะบตะประเด็นประเด็นอินชาอัลลอฮเดียวมาต่อทหน้าันนะครับอัลลอฮ تعالى علم صلى الله على نبينا محمد ع ل ى آ و ص ح وسلم سب سبحان ر ب ك ر ب العزة أ ي س ِ ي ف و ن َ و َ س ل ا م ع ل ى ا ل م س ل ي ن الحمد ل ل رب العالمين س ل ا م عليكم